ต้างบอกว่าการฟังและการเข้าใจและการจะไปปฏิบัติในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยการจะไข่ครควนเนี่ยแต่อย่าลืมนะความเข้าใจนี่แหละท่านทั้งหลายก็ไปหมุนความเข้าใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อตรงนี้ชัดขึ้นนะอัตถาชัดธรรมะชัดอัตถาธรรมะอัตถาชัดเนี่ยปลาโมจะเกิดจะเกิดถ้าอัตถาธรรมะไม่ชัดนะปลาโมจะไม่เกิด ตรงนี้นะ ก, ก็ไปไข่ควรไปพิจารณาเยอะจะได้เห็นคําว่าสัมมาสัมพุโทโธชัดขึ้นรอบนี้รอบบ่ายเป็นรอบสัมมาสัมพุโทโธมาถึงกลางคืนก็มาสัมมาสัมพุโทโธกันเยอะนี่เนี่ยใช่ไหมใช่คือต้องการให้เห็นความมหาส จ, จรย์ของคาคำํานี้อยู่ที่ว่าจะเชื่อมสัมมาสัมพุโทโธนไปหาสมถะหรือไปหาวิปัสสนาหรือไปหาสูตรไหนเห็นไหม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 ถึงบอกว่าเวลาศึกษาคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้นึกถึงว่าที่บอกว่าสัพพุทธทังประพุทธชันติสตาโคธมรสสาวากาเวลาฟังท่านสวดนี้ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันเนะงนี้นะเวลาที่ว่าเออบุคคลที่เขาเลื่อมใสเนี่ย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 ท่านึงบอกว่าพระองเวสรนังยันตีสัพพตานิวนานิจ า, ารามารุขเจตายานิมนุสาตยยตัชิตาเ <S ess> นตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตัง เนตั้งธรณมาคามาซาบดุขาปมุจติโยชาพุทธันจาดัมมัญจาสังขัญชาสระนังขาโตจัตาริอริยสัจจานีสัมป oh ัญญาญาปสติ